วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งในสายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของโลกเป็นเป็นศาสดาเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย mm. ไม่มีใครที่จะมีความรู้ความฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าที่พวกเราให้ความเคารพนับถือกัน เป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครนี้จะรุ้นได้มากเท่ากับพระพุทธเจ้านั่นเอง mm hmm. พระพุทธเจ้าจึางเรียกว่าเป็นสัตถาเทวมนุษย์สานัง mm hmm. เป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย mm hmm. พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่สอนมนุษย์เท่านั้นพวกเทวดาก็มาศึกษา มาฟังเทศฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอ mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมวันละสามรอบด้วยกัน mm hmm. รอบบ่ายก็ทรงแสดงธรรมให้กับสัธยาญาณโยมผู้คองเวร อ, อย่างอย่างพวกเรานี้ mm hmm. ในตอนบ่ายก็จะไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากันในยุค สมัยที่มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในโลกนี้แล้วพอตอนค่ำพระพุทธเจ้าก็จะส่งสแสดงอบรมสั่งสอนให้กับพระภิกษุภิกษุรีและสมมาเส ม, มาเณรสามเณรเลนแลวในยอนในยามดึกก็ส่งที่จะสั่งสอนพวกเทวดาด้วยการเข้าสมาธิ แล้วสอนสอนผ่านทางจิตใจทางโทรจิตนี่ว่าสอนผ่านทางอภิญญาผ่านอุปจารสมาธิสอนเทวดาเทวดาที่มาพังเทศฟังธรรมก็ได้มีการบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลกันเป็นจานวนมากจึงไม่มีใครนี้จะมีความรู้ความสามารถ ในเรื่องการอบรมสั่งสอนให้จิตใจของผู้ฟังนั้นได้มีการพัฒนามีการเจริญก้าวหน้ามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขขั้นสูงสุดนี่แหละคืออะบรมศาสด า, ษา ที่พวกเราชาวพุทธให้ความเคารพนับถือและยึดคนั <c oughs> และยึดหลักคำสั่งคำสอนของพระองค์เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตของพวกเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านั้นให้มีความเชื่อมีความเคารพ ก็คือกฎแห่งกรรมนี้เองเพราะว่ากฎแห่งกรรมนี้แหละเป็นผู้ที่จะชี้ชะตาให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราให้ขึ้นไปสูงก็ได้ให้ลงต่ำก็ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราว่าจะปฏิบัติไปในแนวไหน บทแห่งกรรมนี้ท่านก็ทรงแสดงไว้ว่ามีสองแนวทางใหญ่ๆคือทางสู่ความสุขความเจริญของจิตใจและอีกแนวทางหนึ่งก็คือความทุกข์และความเสื่อมของจิตใจจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้จะสุขหรือจะเจริญจะทุกข์หรือจะเสื่อมนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราไปกราบไหว้บูชาไปขอพอรกัน<ม>พระพุทธลจ้ต่างๆตามวัดวาต่างๆ<ม>หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ<ม>สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถให้คุณให้โทษกับจิตใจของ ผู้ที่ไปกราบไหว้ไปขอพรได้แต่อย่างใดสิ่งที่จะให้คุณให้โทษสิ่งที่จะชี้ชะตาชีวิตของผู้ที่อยากจะรู้ว่าชะตาชีวิตเป็นอย่างไรนั้นก็อยู่ที่กฎแห่งกรรมนี่เองอกฎแห่งกรรมสอนไว้ว่าถ้าทำดีก็จะได้ดี ถ้าทำชั่วก็จะได้ทุกได้ความชั่วอันนี้ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมอันนี้ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตตสาวกทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมทั้งนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะควรที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ แล้วเราจะได้ไม่ไข้เขวเราจะได้ไม่ลังเลสงสัยว่ากฎแห่งกรรมนี้มีจริงหรือไม่ให้คุณให้โทษแก่จิตใจขอ ง, ของเราได้จริงหรือไม่ mm hmm. แต่สิ่งที่เราต้องทาความเข้าใจก่อนว่าใครเป็นผู้กระทากรรมเพราะการกระทานี้ มีการกระทำอยู่สาม ส, า ม, สามรูปแบบด้วยกันคือการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาและการกระทำทางใจการกระทำทางวาจาก็คือเช่นไปทำนูน่นทำนี่ไปทำลายคนนั่นคนนี้หรือไปทำคุณทำประโยชน์ ให้กับคนนั้นคนนี้ด้วยกำลังด้วยกําลังกายด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นการกระทําทางกายหรือการกระทําทางวาจาคือการไปพูด <ừ. S 1> การไปพูดเพื่อทําให้ผู้อื่นนั้นเขาได้รับความสุขหรือทําให้ผู้อื่นเขาได้รับความทุกข์ความเสียหายอันนี้ก็เป็นการกระทําทางวาจา และการกระทาทางใจก็คือการคิดนี่เองคิดว่าจะไปพูดอะไรดีจะไปทำอะไรดีนี่คือการกระทำามสามรูปแบบด้วยกันเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมคือการทำด้วยร่างกายวาจีกรรมการทำด้วยวาจาด้วยคําพูดมโนกรรม เป็นการกระทำด้วยความคิดในกรรมทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่กระทำกรรมที่แท้จริงนี้คือมโนกรรมคือใจผู้รู้ผู้คิดเพราะว่าถ้าไม่มีการกระทำทางใจไม่มีผู้รู้ผู้คิดวาจาการกระทำทางวาจาและการกระทำทางกายจะเกิดขึ้นไม่ได้ เช่นก่อนที่เราจะทำอะไรนี้เราต้องคิดก่อนเช่นวันนี้ก่อนที่เราจะมาที่วัดได้นี้เราต้องคิดในใจก่อนแล้วว่าวันนี้จะไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปทำบุญทำทานอันนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนผู้ที่จะทำให้เกิดการกระทำทางกายและทางวาจา ม, มาได้นั้นก็คือใจหลังจากที่คิดแล้วก็จะ เตรียมตัวแล้วก็อาจจะชวนญาติพี่น้องญาติสนิทนิสายผู้ที่อยู่ด้วยกันว่าวันนี้ไปวัดไหมไปฟังเทศฟังธรรมไปทำบุญกันไหมอันนี้ก็เรียกว่าการกระทำทางวาจาถ้าไม่มีการคิดไว้ก่อนถ้าไม่มีใจน่างกายกับวาจานี้จะทำอะไรไม่ได้เช่นคนที่ ตายไปแล้วเนี่ยซากศพที่นอนอยู่ในโรงนี้ไม่สามารถทำการทาอะไรได้แล้วเพราะผู้ที่สั่งการไม่อยู่ไม่มีใครคอยสั่งการแล้วไม่คือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ไม่สามารถสั่งการผ่านทางร่างกายนี้ได้แล้วร่างกายนี้ก็นอนอยู่เฉยๆถ้าไม่มีผู้ รู้ผู้คิดนี้มาสั่งให้พูดสั่งให้ทำอะไรต่างๆดังนั้นผู้ที่กระทำกรรมที่แท้จริงนี้ก็คือใจนี้ผู้คิดนี้ผู้ที่คิดนี่แหละคือใจที่เป็นผู้รู้ด้วยเป็นผู้คิดด้วยนละเป็นผู้ที่ทำกรรมที่แท้จริงผู้ที่รับคำสั่งคือร่างกายกับวาจานี้ ไม่ได้เป็นผู้กระทำกรรมที่แท้จริงเป็นเพียงเครื่องมือของผู้กระทำกรรมเท่านั้นคือใจดังนั้นถ้าผู้กระทำที่แท้จริงคือใจผู้ที่จะรับผลที่แท้จริงก็คือใจเท่านั้นส่วนร่างกายกับวาจานี้ไม่ได้เป็นผู้ที่จะรับผลของการกระทำแต่ก็ จ, จะมีผลกระทบได้ แต่ก็อาจจะไม่มีก็ได้อันนี้แล้วแต่เหตุการณ์แต่ผู้ที่รับผลจริงๆนี้คือใจอย่างแน่นอนและผลที่เกิดขึ้นกับใจคืออะไรก็คือความสุขหรือความทุกข์ใจแล้วความเจริญหรือความเสื่อมของใจที่เกิดจากการกระทําของใจเองนี้เท่นั้น นี่แหละคือเป็นผู้ที่รับผลของกรรมที่แท้จริงส่วนร่างกายนี้อาจจะได้รับผลก็ได้หรืออาจจะไม่ได้รับผลก็ได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นประเด็นไม่ใช่เป็นตัวการที่แท้จริงเหมือนกับถ้าญาติ ย, ยมขับรถแล้วรถนี้ไปชนคนตายหรือเกิดอุบัติเหตุ เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจมามาวิเคราะห์มามาหาหลักฐานเขาก็จะรู้ว่าคนที่ทําผิดนั้นผู้ที่กระทาผิดคือคนขับรถไม่ใช่รถยนต์รถยนต์เป็นเพียงแต่เป็นผู้ทําตามคําสั่งของคนขับรถเขาจึงไม่ลงโทษรถยนต์ไม่จับลบไม่จับรถยนต์ไปขังคุกขังตารางแต่เขาจะจับคนขับรถนี้ ไปลงโทษไปติดทุกติดตารางหรือปรับค่าปรับต่างๆหรือเรียกค่าชดใช้เสียหายให้กับผู้ที่เขาเสียหายเดือดร้อน น, นี่คือตัวอย่างของผู้กระทำและของเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำบาปหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือปืนเนี่ยปืนหรือมีดเนี่ยที่ ผู้ใช้คือคนนีเอาไปยิงคนอื่นตายหรือเอาไปแทงคนอื่นตายเวลาตำรวจเขาจับเขาไม่จับมีดหรือปืนไปลงโทษแต่เขาจับคนที่ใช้มีดใช้ปืนไปลงโทษเพราะมีดกับปืนถ้าไม่มีคนมันจะไปทำร้ายใครไม่ได้มีดกับปืนมันก็จะอยู่ของมันเฉยๆอย่างนั้นแต่มันเป็นเพียงเครื่องมือในการออกไปทำร้ายผู้อื่น มันจึงไม่ได้เป็นผู้ไปรับโทษแต่อย่างใดผู้ที่รับโทษก็คือผู้ที่ใช้ใช้มีดหรือใช้ปืนไปทำร้ายผู้อื่นเท่านั้นเองนี่คือกฎแห่งกรรมขอให้เราเข้าใจชัดๆว่าเวลาทำความดีทำบุญหรือเวลาทำบาปทำความชั่วนี่บางทีร่างกายไม่ได้รับผลก็มี เช่นคนทำผิดกฎหมายแล้วก็สามารถหลบหลีกได้หรือสามารถอําพรางคดีได้อําพรางว่าตนเอง <c oughs> ไม่ได้เป็นผู้กระทอ <c oughs> ก็จะไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเอาไปลงโทษหรือถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้แต่ไปไม่ทันาะร่างกายนี้หนีไปก่อนได้ หนีไปอยู่ต่างประเทศได้<ม>กฎหมายก็ตามไปเอาร่างกายนั้นมาลงโทษไม่ได้<ม>แต่ผู้ที่กระทำ<ม><ม>คือใจของผู้กระทำนี้ได้รับโทษทันทีก็<ม><ม>คือความรู้สึกในใจ<ม><ม>เวลาเวลาทำผิดแล้วนี่ใจจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีใจจะมีความหวาดวิตกกังวล วาดภาวะเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่จะตกใจขึ้นมาทันทีทั้งๆที่เจ้าหน้าที่เขาไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนกระทำผิดและไม่ได้ตั้งใจจะมาจับเราเองอาจจะมาถามหรือขอความช่วยเหลือบางอย่างบาทีเจ้าหน้าที่เขาอยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเห็นเราอยู่ตรงนั้นเช่นเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จักทาง ก็อาจจะเดินมาถามเราว่าไปบ้านคนนั้นนั้นไปทางไหนแต่เราเนี่ยผู้ที่ไปทำผิดมาแล้วนี่พอเห็นเจ้าหน้าที่เดินตรงเข้ามาหาเรานี่ใจเรานี่จะตกใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทำผิดนี่เจ้าหน้าที่เดินมาเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกหวาดวิตกกังวลหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้ไปทำผิด ใจเราจะไม่ตกใจแต่ถ้าเราไปทำผิดเนี่ยเพียงแต่เห็นเจ้าหน้าที่เท่า น, นั้นแะแล้วเขาก็ไม่รู้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแย่เพียงแต่เห็นเขาเท่า น, นั้นเดินผ่านมาเราก็จะตกใจนะ mm hmm. แล้วนี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นกับใจเวลาที่ใจไปทำอะไรผิด mm hmm. เช่นไปทำบาปจะฆ่าสัตว์ก็ดีจะรักทรัพย์ก็ดี จะปรปพติผิดประเพณีก็ดีจะโกโหกหลอกลวงก็ดีพอมันทำไปแล้วนี่มันเป็นเหมือนกับมันไปมีมีแผลอยู่ในใจอย่างที่โบราณเขาพูดว่าวัวสันหลังหวัดวัวที่มีแผลเนี่ยพอมีนกมีอะไรมาเกาะหน่อยมันก็พอมาพอ ม, มาจิ้มที่แผลเข้ามันก็เจ็บปวด แต่ถ้าไม่มีแผลนี่เวลานกมาเกาะมามาจิ้มมาแตะที่แผลที่ไม่มีแผลที่มันก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดนะนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวข้องกับจิตใจอย่างเดียวส่วนทางร่างกายนี้กฎแห่งกรรมนี้ไม่สนใจเพราะไม่ได้เป็นตัวที่จะเป็นตัวที่กระทาบา เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สนใจรถยนต์ไม่สนใจปืนมีดที่ใช้ในการทำร้ายไม่ไปจับมีดไปจับปืนไปจับรถยนต์แต่สนใจคนที่ใช้มีดใช้ปืนหรือขับรถยนต์นั้นต้องจับคนนั้นมาลงโทษเพราะคนนั้นแหละเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายส่วนมีดหรือปืนหรือรถยนต์นี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองร่างกายและวาจานี้ก็เช่นกัน เป็นเพียงเครื่องมือของใจที่ใจเอามาใช้ในการทำบุญหรือทำบาปทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วเท่านั้นเองแต่เวลาทำไปแล้วนี่บางทีร่างกายก็ไม่ได้รับผลตอบแทนแต่อย่างใดทำดีบางทีก็ไม่มีใครเขามาให้รางวัลก็ได้ก็มีทำดีแล้วก็เพราะไม่มีใครรู้ก็ได้ เราจะไปทําแบบเงียบๆทําแบบไม่มีใครรู้ใครเห็นหรือบางทีทําแบบให้มีใครรู้ใครเห็นบางทีเขาก็ไม่ให้รางวัลเราก็ได้เช่นบางทีเราหวังว่าถ้าเราทําความดีแล้วเขาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้กับเราแต่บางทีคนที่เขาจะให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งกับเราถ้าเขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้กับเราก็ได้ เขาก็ไปเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับคนที่เขาชอบ น, นี่คือขอให้เราเข้าใจแต่ใจของคนที่ทำความดีนี้สิ่งที่ได้ทันทีก็คือความสุขใจความอิ่มใจความสบายใจนี่ความรู้สึกส่วนแรกที่จะได้คือใจที่มีความรู้สึกมีความสุขแล้วส่วนที่สองที่ใจได้รับก็คือ ใจได้ยกระดับของใจให้สูงขึ้นขึ้นไปตามกำลังของบุญที่ทำอยู่ทำบุญแล้วจะยกระดับใจให้ขึ้นสูงจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลาดับของการกระทำของการกระทำความดีต่างๆของการกระทำบุญต่างๆ น, นี่คือใจผู้กระทำและเป็นผู้รับผลของกรรมไม่ใช่ร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำความดีแล้วไม่มีใครเขายกย่องสรรเสริญให้รางวัลเราให้ผลตอบแทนอะไรกับเรานี้ก็อย่าไปโทษว่าโกห่งกรรมไม่ไม่มีจริงเราดูที่ใจของเราเรารู้สึกอย่างไรถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเราทำด้วยความหวังที่จะได้รับผลตอบแทนนี้ เราก็ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญหรือเป็นการทำความดีเพราะว่าเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายเหมือนกับที่เราไปซื้อของที่ร้านเราเอาเงินไปให้เขาแล้วเขาก็ให้ของเรากลับมาเราเป็นการแลกเปลี่ยนกันใจของเราจะไม่รู้สึกมีความสุขใจหรืออิ่มใจแต่อย่างใดแต่ถ้าเราเอาเงินไปให้คนขอทานอย่างี้ที่อยู่หน้าร้าน ให้โดยที่เราไม่เอาอะไรจากเขาเราให้เพราะเรามีความสงสารเราเห็นเขาทุกข์ยากลำบากก็อยากจะให้เขามีความสุขบ้างเราให้แล้วใจของเรานี้จะมีความสุขถึงแม้ขอทานนั้นจะไม่ยกมือไหว้หรือจะไม่ขอบใจเราเราก็ไม่เสียใจเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขานี่หละคือเรื่องของการกระทำกรรม เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้มันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้กระทําโดยอาศัยร่างกายและวาจาเป็นเครื่องมือในการกระทําดังนั้นร่างกายนี้บางทีก็อาจจะไม่ได้รับผลแต่อย่างใดบางทีก็อาจจะได้รับต้นมีแต่มันไม่ได้เป็นผลที่ที่สำคัญผลที่สําคัญก็คือใจของผู้กระทํานั้นเท่านั้นเองถ้าใจของผู้กระทําทําความดี ใจของผู้กระทำก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีสถานภาพที่สูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นเทวดาเทวดาก็มีหลายระดับหลายชั้นด้วยกันมีสวรรค์6กชั้นเทวดาหกชั้นจะก็ขึ้นไปทีละชั้นตามกำลังของความดีที่ทำไว้มากน้อย ทำบุญมากก็จะขึ้นไปสู่ชั้นที่สูงทำบุญน้อยก็จะสู่ชั้นที่ต่ำอยากได้เลื่อนลำดับโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบคุณสมบัติว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วเพราะกฎแห่งกรรมนี้มันเป็นของอัตโนมัติที่เราไม่ต้องไปไปคอยจดไปคอยจำว่าเราทำบุญกี่ครั้งทำไปเท่าไหร่กฎแห่งกรรมนี้เขาจาได้ เพราะเขาจะให้ผลทันทีตั้งแต่พอเราเริ่มกระทำขึ้นมาใจของเราก็จะค่อยเปลี่ยนไปตามกรรมตามการกระทาของเราถ้าเราทำความดีทำบุญใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วใจของเราก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับในทางกลับกันถ้าใจเราไปทำบาปทาไม่ดี เราก็จะใจของเราก็จะเริ่มเพิ่มมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาทันทีทำบาปแต่ละครั้งนี้มันทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแต่ละครั้งแล้วใจของเราก็จะเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นเดียวกัน mm hmm. การเสื่อมของใจคือคือคื อ, ค, อคือการเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นมนุษย์นี้ก็จะลงไปสู่พบหรือไปสู่สถานภาพที่ต่ากว่ามนุษย์ mm hmm. ก็มีอยู่สี่ ระดับด้วยการคืมเดลฉานเบรดอสุ ล, ลกายและนรกอันนี้ก็คือสภาพจิตใจของผู้ที่กระทําบาปไม่ใช่เป็นสถานที่ไม่ใช่เป็นที่เหมือนกับที่เชียงใหม่ที่อุดอรที่ภูเก็ตเป็นสภาพจิตใจที่จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นมีความรุ่มร้อนจิตใจเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์ยากลําบากมากขึ้น เช่นถ้าเลื่อนจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานนี่พอร่างกายของมนุษย์ตายไปใจนี้จะกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้กต้องไปรับผลของใจที่กำลังเป็นเดรัจฉานอยู่ก่อนต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานแทนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยังกลับมาเกิดไม่ได้ถ้ายังมีบาปค้างชำระอยู่ต้องไปชำระนี่ก่อนชำระบาปก่อนโดยการไปเกิดเป็นเดรัจฉาน หรือถ้ามากกว่านั้นก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยก็เรียกว่าเป็นเป็นเปรตหรือถ้าดวงวิญวดวงวิญญาณที่มีความหวาดกลัวอันนี้ก็เรียกว่าสุลกายหรือถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นก็จะเป็นดวงวิญญาณของนรก ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดใครฟันต่อฟันตาต่อตา ต, ต, ต้องล้างแค้นกั น, นอันนี้พอทำไปแล้วนี่จะไปนรกถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขามาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าสุลกายถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆ ก็ไปทำบาปด้วยวิธีช่อโกงลักทรัพย์ดอกลวงหรือฆ่าผู้อื่นอันนี้ก็จะทำให้ดวงวิญญาณเป็ น, เ ป, นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยเพราะได้เท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้คืบก็อยากจะได้สองได้สองก็อยากจะได้วามันจะหิวไปเรื่อยมันจะอยากอยู่เรื่อยไม่ว่าจะได้มากน้อยเพียงไร น, นี่คือสภาพของผู้กระทำบาปคือจิตใจถึงแม้ว่าตอนนี้ร่างกายอาจจะยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ใจอาจจะเป็นเรลระฉานอาจจะเป็นเปรตอาจจะเป็นนรสวรกายหรืออาจจะเป็นนรกไปแล้วก็ได้หรือถ้าทำบุญทำความดี ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้อาจจะกลายเป็นเทพเป็นพรงเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วก็ได้มันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายผลของการกระทําและผู้กระทํานี้คือใจอผลของการกระทําก็เกิดขึ้นที่ใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่พวกเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่เราจะมองเห็นได้ด้วยด้วยใจของเราเองด้วยสติของเราเอง เราเข้ามาดูที่ใจเราเราจะรู้ว่าตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไรใจเราสุขหรือทุกข์ใจเราหิวหรือไม่หิวใจเราโกรธเกลียดหรือไม่โกรธเกลียดใจเราหวาดผวาหวาดกลัวหรือไม่หวาดกลัวไอ้สิ่งเหล่านี้เรารู้ได้เห็นได้มันอยู่ในใจของเราตลอดเวลานีนะ่เพียงแต่ว่าเราไม่มองกันเสียเป็นส่วนใหญ่เรา ม, มัวแต่ไปมองในสิ่งที่ใจอยากได้กัน เช็นมักเรามักจะไป ม, มองหาราบยศสรรเสริญกันมองแต่เรื่องเงินเรื่องทองเช่นวันนี้ตอนบ่ายมานั่งรอกันแล้วเนี่ยวันนี้เลขจะออกอะไรใจมันไม่ได้มาดูที่ใจของตัวเองว่ากําลังวุ่นวายหรือสงบไม่สงบหรอกวันนี้คนที่แทงหวยรับประกันได้เพราะมันมีความโลภมันมีความอยากจะถูกหวยกันใจมันก็เลยเนี่ยมีตกกังวลนั่งจ้องแล้วจ้องอีกรอแล้วรออีก วันนี้จะถูกหวยหรือไม่ซื้อเลขนี้จะออกเลขนี้หรือไม่อันเนี้ยมันสิ่งที่เกิดที่ใจมองไม่เห็นเงินเพราะว่ามันถูกกิเลสถูกความอยากมันดึงให้ไปมองในสิ่งที่อยากได้อยากได้เงินได้ทองหรือถ้าอยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งก็จะเป็นดูที่ยศที่ตําแหน่งอยากได้รางวัลอรางวัลตุ๊กตาทองอยากได้รางวัลสุพรรณหงษ์ มันก็ไปดูที่นั่นมันไม่ไปดูที่ใจของตัวเองว่าวุ่นวายหรือสงบมีความสุขหรือมีความทุกข์มันมองไม่เห็นเพราะมัวแต่ไปมองในสิ่งที่กิเลสตัณหามันอยากให้มันอยากให้เราไปเอามาเท่านั้นเองอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็จะไปมองแต่อยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนั้นดูภาพยนตร์เรื่องนี้อยากจะไปฟังเพลงเพลงนั้นเพลง น, น, ลงนี้ในขณะที่ใจนี้หิวโหวยดินน้นรน มองไม่เห็นสภาพของใจแต่กลับไปมองเห็นสภาพในสิ่งที่อยากได้ไปเราเลยจึงไม่รู้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรกันเพราะเราไม่เคยมองใจของเราเราไม่รู้ว่าใจของเราตอนนี้เป็นเทวดาหรือเป็นเปรตกันรเราไม่รู้ว่าใจของเราเป็นเป็นนรกหรือเป็นอะไรกันเพราะว่าเราไม่ได้มองที่ใจของเรานั่นเองถ้าเราได้ถูกสอนให้ฝึกให้หันกลับมามองที่ใจ ต่อไปเราจะเห็นทุกครั้งที่เราทำอะไรนีเราจะเห็นความรู้สึกของใจเราเกิดขึ้นมาทันทีพอเราทำบุญใส่บาตรไปเสร็จปั๊บนี้เราจะมีความสุขใจขึ้นมาทันทีกวดน้ำได้ทันทีเลยไม่ต้องมารอให้พระมาสวดมาอนุโมทนาเพราะพระไม่มีบุญที่จะให้โยมส่งไปโยมต้องเป็นคนทำบุญสร้างบุญขึ้นมาเองด้วยการเสียสละ ด้วยการเสียทรัพย์ไปซื้ออาหารไปใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วใจก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วก็เอาความสุขใจอิ่มใจนั่นแหละส่งไปให้กับดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวโหวยได้ mm hmm. ดวงวิ ญ, ญญาณที่ไม่ได้มีบุญไม่ได้ทำบุญติดตัวไปมีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความโลภติดตัวไป mm hmm. เวลาตายไปดวงวิญ ญ, ญาณ น, นั้นจะมีแต่ความหิวโหวย จะช่วยดับความหิวโหยของดวงวิญญาณ น, นั่นก็ต้องอาศัยคนที่มีความอิ่มเอิบใจสุขใจที่เกิดจากการทาบุญพออิ่มใจสุขใจคนที่ทาบุญนั่นแหละสามารถแบ่งบุญที่ตอนเองมีอยู่นี้ให้กับดวงวิญญาณที่หิวโหยได้ส่วนใหญ่พวกเราจะมองไม่เห็นใจของพวกเราเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้ใจของเรานี้เป็นอย่างไร อยู่ในสภาพของของมนุษย์ของเทวดาหรืออยู่ในสภาพของเดรัจฉานหรือของเปรตหรือของของนรกนี่เราไม่รู้กันแต่บางทีมันก็จะมาสแสดงผลให้เราเห็นง น, นเวลาที่เรานอนหลับนี่แหละถ้าถ้าเรานอนหลับแล้วเราฝันดีสแสดงว่าจิตใจเราดีจิตใจเราเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยบุคคล ถ้าเราฝันร้ายนี่จิตใจของเราเป็นเลราชานเป็นเปรตหรือเป็นนรกกันนี่แหละคือตัวอย่างของของสภาพจิตใจของพวกเราเราจะรู้สึกรู้เห็นได้ก็ช่วงที่เรานอนหลับเท่านั้นเพราะช่วงนั้นกิเลสไม่สามารถที่จะดึงใจของเราให้ไปหาหาราบยุจันรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ มันก็เลยทําให้เรานี้สามารถมองเห็นความรู้สึกของใจเราได้ที่จะโผล่ขึ้นมาในขณะที่เรานอนหลับในรูปแบบของความฝันต่างๆและรูปแบบของความฝันนี่แหละก็คือจิตใจของพวกเราในขณะที่ร่างกายเราตายไปแล้วพอร่างกายตายไปแล้วนี่เราก็เหมือนนอนหลับดีๆนี่เเหมือนตอนตอนที่เรานอนหลับนี่ก็เหมือนตอนที่เราตายดีๆนี่เพราะตอนที่เรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกาย น่างกายนอนอยู่เฉยๆแต่ใจเรายังมีการเคลื่อนไหวอยู่นล่ใจเคลื่อนไหวด้วยการไปหาความสุขจากความฝันต่างๆหาความสุขหรือหาความทุกข์จากความฝันต่างๆใจจะไปหาเองไม่ได้ตอนที่นอนหลับนี้ผู้ที่จะให้ความฝันกับเราผู้ที่จะให้ความฝันดีหรือฝันร้ายกับเราก็คือบุญหรือบาปที่เราได้กระทากันม า, าไว้นั่นเองถ้าเราได้กระทาบุญเอาไว้ เวลาเรานอ น, นหลับเราจะได้ได้ได้ผลได้ฝันดีกันแต่ถ้าเวลาเราทาบาปแล้วเวลาเรานอ น, นหลับนี้เราจะได้ฝันร้ายกัน<อ>แล้วก็จะฝันดีฝันร้ายในขณะที่เราไม่มีร่างกายแล้วเช่<อ>นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความ<อ>ตาย ก, กับการนอนหลับนี้ไม่ไม่ไม่ต่างกันเหมือนกันเพราะตอนนอนหลับร่างกายก็เหมือนกับคนตาย เพียงแต่ว่าการนอนหลับนี้เป็นการตายแบบชั่วคราวตายแบบไม่กี่ชั่วโมงพอเรานอนหลับปั๊บเหลือบุญหรือบาปก็จะมาแสดงผลให้เราเห็ น, นหทาใจให้เราฝันดีกันหรือฝันร้ายกันแล้วแต่พอเราตื่นขึ้นมาใจเราก็กลับเข้ามาสู่ร่างกายแล้วกลับมารับรู้เรื่องของร่างกายหม่เหมือนดั้มเหมือนกลับมาเกิดใหม่ เวลาตายก็เช่นเดียวกันเวลาตายนี้ร่างกายก็ไม่มีแล้วร่างกายก็เหมือนร่างกายที่นอนหลับไม่สามารถทําอะไรได้แล้วใจก็อาศัยบุญกับบาสมามาสแสดงเหตุการณ์ต่างๆในรูปแบบของความฝันต่างๆนี่ดะงนั้นโลกของใจโลกของจิตวิญญาณนี้ก็คือโลกของความฝันดีๆนี่ความฝันที่เกิดจากบุญและบาปของใจครับ แต่ละดวงที่จ ะ, ะผลิตขึ้นมาทำบาป <c oughs> ก็จะได้แต่เรื่องของฝันร้ายต่างๆการที่มีดวงดวงวิญญาณที่ฝันร้ายเราก็เรียกว่าอบายเป็นเปรตบ้างเป็นน ส, สุรกายบ้างเป็นนรกบ้างการที่ได้ฝันดีดวงวิญญาณที่ได้ฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ไดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยบุคคลบ้าง ฝันแต่เรื่องดีๆฝันแต่เรื่องที่ทำให้มีแต่ความสุขความสบายใจอันนี้แหละคือผลของบุญของบาปที่เรากระทากันที่เราจะต้องรับกันไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนี้เราปฏิเสธไม่ได้มันเกิดขึ้นทันทีตั้งแต่ที่เราทําเลยพอเราทําปั๊บใจของเราก็จะรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาทันที แล้วใจของเราก็จะเสื่อมเมื่อเจริญขึ้นไปทันทีแล้วเวลาเรานอนหลับมันก็จะแสดงผลให้เราเห็นถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปบุญมันก็จะส่งผลให้เราได้ฝันดีกันได้รับรู้แต่เรื่องดีๆในขณะที่เรานอนหลับหรือในขณะที่เราตายไปแล้วในทางกับกันถ้าเราทำบาสมากกว่าทำบุญบาปมันก็จะเป็นตัวส่งผลก่อน มันก็จะให้เราฝันร้ายมีแต่เรื่องราวเหตุการณ์ที่หวาดเสียวหวาดกัวที่มีเรื่องทุกข์ยากลำบากอะไรต่างๆนี่แหละคือผลของของการกระทาของใจทาดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อมันจ ะ, สะแสดงผลทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วมันมันไม่ได้เกิดที่ร่างกายนะมันเกิดที่ใจ เพราะร่างกายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้กระทำด้วยความคิดของเราเราคิดจะทำบุญพอเราทำบุญแล้วใจเราก็จะได้ความสุขขึ้นมาพอเราคิดจะทำบาป พ, พอเราไปทำบาปปั๊บใจของเราก็จะได้รับความทุกข์ขึ้นม า, ท, าทันทีนี่แหละคือเรื่องของกฎแห่งกรรม ขอให้เรามองที่ใจเป็นผู้เป็นผู้กระทําและเป็นผู้รับผลของกรรมอย่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเราเป็นผู้กระทําไม่ว่าจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราในที่นี้ก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเอง ร่างกายนี้บางทีก็ได้รับผลด้วยบางทีก็ไม่ได้รับผลด้วยดัางนั้นถ้าเราไปมองที่ผลที่ร่างกายบางทีเราอาจจะมีความสงสัยลังเลงนะอาจจะมีความรู้สึกไม่ไม่ตรงกับหลักของความเป็นจริงเพราะบางทีทำดีถ้าเป็นทบาตายร่างกายไม่ได้รับรางวัลเลยไม่มีใครมายกย่องสรรเสริญไม่มีใครเขียนชื่อ ให้รางวัลตุ๊กตาทองอะไรกับเราเลยทั้งๆ ท, ท, ที่เราทําความดีแทบเป็นแทบตายมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายในการทําความดีก็ได้ดังที่มีคําพูดอยู่ว่าอาทําดีอทําดีไม่ได้ดีทําบาปได้ดีมีถมไปคนที่ทําบาปกับได้ได้ดิบได้ดีได้ร่ําได้รวยไปคอร์ัปชันไปโกงไปกินบ้านเมือง กับร่ากับรวยเป็นมหาเศรษฐีมีเกียรติมีหน้ามีตาแต่คนที่ทําความดีให้กับประเทศชาติที่เสียสละบางทีเป็นทหารไม่ถูกเขายิงตายไม่ได้อะไรเลย<ม>ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าทําความดีไปทำไมทําความชั่วไม่ดีกว่าทําความชั่วแล้วได้รับผลดีอันนั้นมันเป็นเรื่องผลของทางร่างกายซึ่งมันไม่มันไม่ใช่เป็นตัวสาคัญและรุนแรงเท่ากับผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจ เราจิตใจมันจะต้องไปรับผลอีกเป็นเวลายาวนานทำบาปแล้วเวลาตายไปมันไม่ใช่ว่าจะไปไปรับใช้บาปแค่วันสองวันแล้วก็จบบางทีเป็น1 0อปีพันปีก็มีกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยทีเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจหลักของกฎแห่งกรรมนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ลังเลสงสัยว่ามีจริงหรือไม่จริง บุญมีจริงหรือไม่มีจริงบาปมีจริงหรือไม่มีจริงผลของบุญคือสวรรค์ชั้นต่างๆมีจริงหรือไม่มีจริงผลของบาปคืออบายชั้นต่างๆนี้มีจริงหรือไม่มีจริงไม่ต้องสงสัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสวากขาโตพระวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการเพียงแต่เราไม่มีปัญญาความสามารถที่จะไป รู้ถึงเรื่องของของกฎแห่งกรรมนี้ได้อย่างละเอียดนั่นเองเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทําเสียด้วยซ้ําไปเรามักจะไปมองเครื่องมือของผู้กระทําเหมือนกับไปมองมีดมองปืนแล้วทําไมเวลาตารวจจับทําไมเขาไม่เอามีดเอาปืนไปลงโทษกันทําไมเขาเอาคนที่ใช้มีดใช้ปืนไปลงโทษเพราะว่าอมีดกระปุนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือคนใช้มีดใช้ปืน อันนี้ก็เหมือนกันร่างกายมันก็เป็นตัวเหมือนเหมือนกับมีดกับปืนที่ใจ เ, เป็นผู้ออกมาใช้จะไปใช้ทำความดีก็ได้เอาไปใช้ทำความชั่วก็ได้ทำแล้วไปให้รางวัลมีดกับปืนทาไมก็เราต้องให้รางวัลกับคนที่ทำที่ที่ใช้มีดหรือใช้ปืนไปทำความดีหรือทำความชั่วนั่นเองอันนี้คือกฎแห่งกรรมขอให้เราเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวกับทาง จ, จิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแล้วใจของเรานี้ก็ดันไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเสียด้วยมันก็เลยทำให้เราไปเหมาว่าเราเป็นร่างกายเราเวล า, ราเราทาอะไรผ่านทางร่างกายนี้ร่างกายเป็นผู้กระทำร่างกายจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำแต่ความหลักเป็นความเป็นจริงบางทีร่างกายทำไปแล้วแต่ไม่ได้รับผลอะไรเลยก็มี ได้รับโทษก็มีไม่ได้รับโทษก็มีอันนี้เป็นเพราะว่าไม่ได้เป็นผูก้กระทาที่แท้จริงผู้กระทาที่แท้จริงที่รับผลอย่างแท้จริงก็คือใจผู้สั่งการสั่งให้ร่างกายคิดสั่งให้ร่างกายสั่งสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายกระทาทำบุญก็ได้ความสุขใจทำบาปก็ได้ความทุกข์ใจแล้วก็ได้ความเจริญสถานภาพจิตใจ ก็จะเลื่อนขึ้นเหมือนกับถ้าเป็นอาหารก็จะเลื่อนจากชั้นในสิบเป็นในร้อยจากในร้อยเป็นในพันในพันไปตามลําดับจิตก็มีมียศมีตําแหน่งเหมือนกันแล้วก็มีมีขั้นต่ําลงมาจากมนุษย์ด้วยขั้นต่ํางลงมาจากมนุษย์ก็คืออบาย<ม>เป็นเดรัจฉานเป็นเปตเป็นอสูรกายเป็นนรกขึ้นมาขึ้นอยู่ที่การกระทําของใจนี้ตัวเดียวเท่านั้นเนี่ตัวที่จะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อน หรือลรถยศลดตำแหน่งของใจลงมานี้ไม่ได้มีใครเป็นผู้ทำให้กับใจได้นอกจากใจเป็นผู้กระทาให้กับตนเองเพียงฝ่ายเดียวท่านหนึ่งมีมีหลักคาพูดว่าทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่ออยู่ที่ใจไม่มีใครมาให้เราทำให้เราดีได้ไม่มีใครมาทำให้เราเชื่อได้เราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทำให้ตัวเราดีหรือทำทำให้ตัวเราชั่วไม่ได้อยู่ที่ใคร อยู่ที่กรรมคือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือเรื่องสิ่งที่พระเจ้าทรงทรงตัดสั้แล้วนํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจวิธีที่เราจะพัฒนาปิตใจของเราให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์ลดน้อยลงและหมดไปได้อย่างถาวรว่าจะต้องทําอย่างไร แต่ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราถ้าเราเชื่อแล้วเรานำมาไปปฏิบัติได้เราก็จะสามารถที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงได้จนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจของเราเลยมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวดังนั้น ถ้าเรามีความเชื่อในพระพุทธในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่เราต้องกระทํากันก็คือเราต้องปฏิบัติตามคําสอนเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติตามมันก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไร<ม>เพราะาผลมันไม่ได้เกิดอยู่ที่อยู่ที่เพียงแต่ความเชื่อเพียงอย่างเดียวผลมันที่เกิดขึ้นจากการกระทําตามความเชื่อนั้ น, น, น<ม>ถ้าเราไม่กระทําตามความเชื่อตามความเชื่อแต่กลับไปทํา สวนทางกับความเชื่อผลมันก็จะสวนทางกันเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละการการะทําบาปทั้งปวงละการเสพอาบายามุขเนี่เพราะนี่เป็นการการะทําที่ยันดึงจิตใจของเราให้ลงต่ำถ้าเราเชื่อคำคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อกฎแห่งกรรมเราก็ต้องทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลือกเอาเลือกเอาแต่ทําในเรื่องที่เราชอบที่จะทําทเรื่องที่เราไม่ชอบจะทําน่อยก็จะไม่ทํา เช่นถ้าเราชอบกินเหล้าเราก็อาจจะเลือกไม่ทําข้อนี้ก็ได้ชอบเล่นการพ น, นันเราก็จะไม่ทําข้อนี้กันถ้าเราเลือกอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ผลผลที่เราควรจะได้มันก็จะไม่ได้คือการกําจัดความทุกข์ใจการลดลดการเสื่อมของใจให้ลงตามไปนั่นเองดังนั้นถ้าเราเชื่อเราต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ ท่านมีความปรารถนาดีกับพวกเราท่านต้องการที่จะช่วยพวกเราไม่ให้ลงต่ําท่านต้องการจะช่วยพวกเราให้ขึ้นสูงกันการกระทําทอะไรที่เป็นการกระทำที่จะดึงใจให้ลงต่ําท่านก็สอนห้ามอย่าทำเนี่ไม่ห้ามทำบาปห้ามเสพอบายามุขอบายามุข ค, คืออะไรคือสุราการดื่มสุรายาเมาหรือดื่มของมูลเมาทั้งหลายยาเสพติดเนี่ แล้วก็การเล่นการพนันแล้วการเที่ยวเตะการเที่ยวตามบาตามผับตามอะไรต่างๆสถานบันเทิงต่างๆแล้วก็ความเกียจคร้านแล้วก็การคบคนที่ชอบอบายมุกเป็นนิตรห้าข้อนี้เป็นสิ่งที่สิ่งแรกที่เราควรจะกระทํากันให้ได้คือเลิกเล่นการพนันเลิกดื่มสุรายาเมลเลิกเที่ยวตามบาตามผับตาม สถานบันเทิงต่างๆแล้วก็เลือกเกียรติค้านพยายามให้มีความขยันหมั่นเพียรในการกระทำสิ่งที่ดีหรือขยันหมั่นเพียรคอยห้ามจิตใจไม่ให้ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือห้ามจิตใจไม่ให้ไปไ ป, ไปเสพอบายามุขทำความเพียรขยันเวลาอยากจะดืม่มชัวราก็ต้องฝืนต้องบังคับไม่ให้ดืม่มเวลาอยากจะเล่นการพนันก็ต้องฝืน เวลาอยากจะไปเที่ยวก็ต้องฝืน<ม>เวลาไปคบกับคนก็ต้องรู้จักคบอย่าไปคบกับคนที่ชอบเที่ยวชอบดื่มสุราชอบเล่นการพนันเพราะถ้าคบกับเขาแล้วเขาก็จะชวนเราไปไปดื่มไปเล่นการพนันไปเที่ยวกันนั่นเอง<ม>อันนี้คือห้าข้อแรกที่พู้เจ้าทรงห้ามไม่ให้เราทรงสอนให้พวกเราอย่าไปทํากันถ้าเราไม่ต้องการจะดึงจิตใจของเราลงต่าเพราะว่า ถึงแม้ว่าการเสพอบายามุขนี้จะเป็นยังไม่ได้เป็นการกระทำบาปยังไม่ได้เป็นตัวที่ดึงจิตใจของเราให้ลงต่ำแต่มันเป็นตัวที่จะดึงจิตใจของเราให้ไปสู่ปากปกประตูของของการไปสู่อบายนั่นเองคําว่าอบายามุขก็คือประตูหรือทางเข้าสู่อบายนั่นเองเพราะถ้าเราเสพสุราแล้วเราก็จะเกิดอาการมึนเมาไม่สามารถควบคุมการพูดการกระทําของเราได้ เวลาใจเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีมันก็จะปล่อยออกมาปล่อยมาในทางคาพูดปล่อยมาในทางการกระทําสังเกตดูที่เรามีข่าวข่าวกันที่คนทําร้ายกันนี้ส่วนใหญ่ก็มีผลมาจากการดื่มสุรายาเมาหรือเสพยาเสพยาบ้ายาที่ทําให้คุ้มคลั่งยาที่ทําให้ไม่มีสติสตงังคอยควบคุมจิตใจของตัเอง เราเกิอดอาการโกรธใครก็อยากจะทำร้ายเขา ท, ทันทีอยากจะด่าเขา ท, ทันทีแล้วพอไปดา่าไปทำร้ายเขาก็เกิดมีการต่อสู้กันแล้วในที่สุดก็ถึงแก่ความตายกันไปร่างกายตายไปใจก็ใจ ก, ก็ลงไปอบายต่อด้วยเสียทั้งร่างกายเสียทั้งจิตใจแต่ถ้าไม่ไม่ดื่มของวุญนเมาต่างๆไม่เสพยาที่ทำให้คุ้มคลั่งแล้วก็จะสามารถควบคุม การกระทำทางกายทางวาจาได้ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะมีความโกรธอยากจะดา่าหรืออยากจะทำอะไรที่เสียหายแต่พอมีสติพอรู้สึกตัวว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ยังยับยั้งได้ยังหยุดได้แต่ถ้ามึนเมาแล้วจะไม่มีสติจะไม่รู้สึกตัวว่าการกระทําของตนนี้ดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกพอคิดขึ้นมาพะ อ, อยากจะทาแล้วก็จะปล่อยออกมาเลย จึงต้องห้ามเรื่องการดืร่มชโลยาเมาเรื่องการเล่นการพนันก็มีแต่ทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองอาจจะได้บ้างบางครั้งบางคราวเวลาได้ก็โลภอยากจะไดก้ก็เล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นอีกยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวพอหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินใช้ใชก็อาจจะต้องไปหาเงินโดยวิธีทุจริตกันไปโกหกหลอกลวงไปยืมเงินคนนั้นคนนี้ ไปหลอกลวงเขาว่าาเอาเงินเขามาลงทุนทํานู่นทนํานี่แต่ไม่ได้มาทำอะไรเอาไปเล่นการมานานเสียหมดพอเขารู้มาทีหลังเขาต้องไปแจ้งความเอาเจ้าหน้าที่ตํารวจมาตามจับอีกทีมีแต่ทุกข์มีแต่เรื่องเสียหายตามมาถ้าเราไปเสพอบา ย, ยามุกเ<ม><ม>พราะมันจะนําไปสู่การกระทําบาปต่อไปนั่นเอง น, นี่คือสิ่งแรกที่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องพยายามทำให้ได้ก็คือเลิกอาบายามุกกันเลิกดื่มของมึนเมาเลิกเสพยาที่ทำให้คุ้มคลั่งเสียสติเลิกเล่นการพนันกันเลิกเที่ยวกันเลิกความเกลียดชังกันเอาเวลาเอามาทำคุณทำประโยชน์ดีกว่าได้คุณได้ประโยชน์ทำความดีกัน แล้วก็ให้เราไม่กระทำบาปบาปก็มีสี่ข้อนีอ่ก็คือการฆ่าสัตว์การทำร้ายชีวิตของผู้อื่นการลักทรัพย์เอาทรัพย์ของผู้อื่นเข้ามาโดยที่เขาไม่อนุญาตนแล้วก็การไปประพฤติผิดประเพณีก็คือการไปยุ่งกับสามีภรรยาบุตรธิดาของผู้อื่นก็อยากจะมีการ มีการร่วมหลับนอนกันก็ให้ร่วมหลับนอนกับคนที่ก็เป็นคู่ของเราเป็นสามีภรรยาของเราทําให้มันถูกประเพณีแต่ถ้าอยากไปทําแบบสัตว์เดรัจฉานหมานี่มันไม่มีประเพณีเป็นคู่มันเจอใครที่ไหนมันอยากจะร่วมหลับนอนกับใครมันก็ร่วมหลับนอนกันอพวกที่ประพฤติผิด ป, ประเพณีนี้โอกาสตายไปจะไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยมีอยู่มาก ตอนนี้ก็คือนิสัยของศาสตร์เดะชะ น, นั่นเองถ้าเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์เราจะรู้จักคู่ครองของตนจ่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น<ม>แล้วก็ข้อที่สี่ก็ไม่โกหกหลอกลวงใครพูดแต่ความจริงไม่พูดไม่พูดคําเท็จเพื่อที่จะหวังเอาผลประโยชน์จากพูดที่เขาได้ยินได้ฟังถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่พูดเปลี่ยนเรื่องพูดก็ได้ เ้าก็ถามเรื่องอะไรที่เราถ้าพูดไปแล้วจะเป็นเท็จแล้วก็ไปพูดเรื่องเรื่องดินฟ้าอากาศก็ได้หรือแม้ก็อยู่เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรหรือปฏิเสธไปว่าต้องขอต้องขอขออนุ ญ, ญาตไม่พูดไม่ตอบคําถามนี้อท่านั้นก็จบเราพูดอย่างนี้มันก็ไม่ผิดแต่เราถ้าเราพูดพูดไปแล้วมันไม่ถูกมันก็ถือว่าโกหกแล้วหรืงแม้อกว่าจะเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เขาเสียใจ เสียใจไม่เสียใจมันเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราอยู่ที่การพูดถ้าเรารู้ว่าพูดไปแล้วทําให้เขาเสียใจก็ก็ขออนุญาตไม่พูดก็แล้วกันขออนุญาตไม่ตอบก็ท่านั้นเองไม่เห็นจำเป็นจะต้องโกหกเขาเพราะการโกหกจะทําให้เราเป็นคนเสียเครดิตจะทำให้คนเราคนเราจะไม่มีใครเขาเชื่อคำพูดของเราต่อไปเราจะพูดอะไรนี้คนก็จะไม่เชื่อเราเราจะร่วมอยู่กับใครนี้ก็จะลําบากเพราะเขาไม่ไว้ใจเราแล้ว เพราะเราเป็นคนโกโหกหลอกลวงนี่คือเรื่องของสิ่งที่พระเจ้านำม า, มาสอนพวกเรามีสามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือนี่ห้ามอย่างไม่ให้เราไปทำบาปเพราะการกระทำบาปนี้จะฉุดจิตใจของเราให้ลงต่ำลงต่ำจากการเป็นมนุษย์และไม่มีโอกาสที่จะโผล่กกขึ้นไปอยู่ยบนสวรรค์ได้ ถ้าทำบาปแล้วก็มีแต่จะต้องไปเกิดเป็นเลวฉ า, า น, เนเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปอยู่ในนรกกันแต่ถ้าเราสามารถห้ามการกระทำบาปได้ห้ามการเสพอบายอย่างมุกได้โอกาสที่จะไปเกิดในอบายนี้ไม่มีเลยอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่เกี่ยวอักฎแห่งกรรมก็คือให้เราละเว้นการกระทำบาปกระทำความเชื่อแล้วเราจะปิดอบายกันได้ แล้วให้เรามาทำความดีกันข้อที่สองให้มาสร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆให้ถึงพ้อมรูปแบบต่างๆเราทำบุญแบบไหนได้เราก็ทาไปเราทำบุญด้วยการให้เงินให้ทองได้เราก็ทาไปเราทำบุญด้วยการเป็นผู้อาสาสมัครไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับคนนั้นคนนี้เพราะบางทีเราอาจจะไม่มีเงินมีทองแต่เรามีเวลาก็ได้เราให้สิ่งที่เรามี ทำคุณทำประโยชน์กับสิ่งที่เรามีให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการทำบุญถ้ามีเงินมีทองเราก็ทำบุญทำทองไปถ้ามีข้าวมีของที่เราไม่ต้องไม่ต้องเก็บเอาไว้ใช้เราก็เอาไปบริจาคไปให้คนที่เขาไม่มีเขาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นการทำบุญหรือถ้าเราไม่มีข้าวของไม่มีเงินทองแต่เรามีวิชาความรู้เรารู้จักวิธีทำกับข้าวรู้จักวิธีตัดเย็บเสื้อผ้า รู้จักวิธีตัดผมหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิชาเราก็ามาสอนคนอื่นได้เผื่อคนที่เขาอยากจะมีวิชาชีพเขาจะได้เอาไปทำเป็นวิชาชีพธรรมารกินได้สอนให้เขาทำกับข้าบได้สอนให้เขาทำาเผ้าทําผมได้สอนให้เขาทำอะไรเย็ยบปักถักร้อยอะไรต่างๆได้เขาก็สามารถนำอาไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ กับ เ, เขาได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําความดีในรูปแบบต่างๆหรือเราก็ไปช่วยเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยต่างๆเวลามีวาตภายัยมีอุทกภยัยมีมีภยัยมีมีเรื่องความทุกข์ยากเดือดร้อนของของชาวบ้านของผู้คนต่างๆแล้วก็ไปช่วยกันเช่นตอนนี้มีไฟป่าก็มีอาสาสมัครที่จะไปช่วยกันป้องกันไฟดับไฟกัน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีเป็นการทำบุญทำแล้วมันทำให้ใจเราสุขขึ้นมามีความสุขใจและยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทพดังนั้นการเป็นเทพไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทำเงนินทาบุญกับวัดเพียงอย่างเดียวต้องบริจาคเงินให้วดัดต้องใส่บาทเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทาความดีชนิดต่างๆได้เหมือนกันเป็นบุญเหมือนกัน เป็นกุศลเหมือนกันทําให้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้เหมือนกันแล้วทําให้ใจของเรามีความสุขบางคนไปเป็นอาสาสมัครเหนื่อยเมื่อไรทางร่างกายแต่จิตใจเขากลับมีความสุขสุขมากกว่าคนที่ไปเที่ยวไปกินไปดื่มกลับมาร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็จิตใจก็มีแต่ความหิวโหวยไม่เหมือนกับคนที่ไปทําความดีกลับมาอาจจะเด็ดเหนื่อยบ้าง แต่ใจเขามีความสุขมีความอิ่มมีความอิ่มมีความสบายใจ น, นี่คือคําสอนข้อที่สองที่พระเจ้านำมาสอนพวกเราที่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนี้ก็คือให้เราทำกรรมดีกันแล้วข้อที่สามท่านก็สอนให้เรามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นการกระทำความดีอี ก, อ ก, อกแบบหนึ่งคือมาทำใจของเราที่ยังมีความทุกข์อยู่นี้ให้หมดทุกข์ไปให้ได้เพราะ สิ่งที่ทําให้ใจของเราทุกนี้เราเรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองกิเลสนี่แเป็นตัวที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองทําให้ใจเราทุกทําให้ใจเราไม่สุขถึงแม้เราเราจะทําบุญมากน้อยขนาดไหนทําความดีมากน้อยขนาดไหนก็ตามบางเวลาเราก็ยังจะมีความรู้สึกเศร้าใจอยู่ยังมีความความเหงามีความซึมเศร้าอยู่เพราะว่าการกระทาความดีนี้ไม่สามารถที่จะไปชําระกิเลสได้เราต้องมา ชำระกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าสมถคค p a i r วิปัสสนาภาวนาคือการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการพิจารณาธรรมต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าความโลภความโกรธความหลงหมดไปจากใจได้ใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขตลอดเวลา เพราะเหตุที่มันทําให้ใจของเราทุกนี้นก็คือกิเลสความเศร้าหมองนี่ เ, เวลาเกิดความโลภนี้ใจเราจะไม่ไม่มีความสุขจะมีความวิตกกังวลอย่างคนที่อยากจะถูกรตเตอรี่วันนี้ถามดูตอนนี้ดูจิตใจเขาจิตใจเขาจะรู้สึกรักทึกรู้สึกกระสรับาศาศาสากระส่ายกังวนกังวายและเวลาพอพอไม่ถูกขึ้นมาก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาซึมเลยบางคน หมดไปหลายพันหลายร้อยหลายหมื่นแต่ก่อนก่อนที่จะออกก็รู้สึกมีความตื่นเต้นมีความระทึกใจแต่พอออกแล้วผลออกมาแล้วไม่ถูกเลยแม้แต่บาทเดียวก็ซึมไปเศร้าไปนี่แหละคือผลจากการที่มีความโลภหรือถ้าบางทีก็โกรธถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะทำให้ใจร้อนเวลาหลงก็จะทำให้ใจ ไม่มีความสุขใจมีแต่ความหวาดวิตกหวาดกลัวหวาดกังวลต่างๆต้องมาชำระความโลภความโกรธความหลงของใจให้ได้ถึงจะสามารถยกระดับใจที่เป็นเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมให้ขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะการที่เราจะต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของใจให้หมดไปไม่ให้ใจของเราจะต้องกลับมาทาบาปทาบุญกันอยู่เรื่อย ก็คือให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้และการที่เราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ต้องกําจัดตัวที่ดึงให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันตัวที่มันดึงมาให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือตัวกิเลสนี่แหละตัวความโลภความอยากต่างๆเอยโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีเงินอยากมีทองอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องมาต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ เพราะถ้าเรามีใจแต่ไม่มีเครื่องมือมันก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้อยากได้เงินก็ไม่สามารถไปหาเงินได้ต้องมีร่างกายอยากไปเที่ยวอยากจะไปกินไปเด่นไป ด, ไปดูไปฟังก็ต้องมีร่างกายมันก็จะดึงให้ใจต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วพอมาเกิดมันก็ต้องมาทำบุญทำบาปกันแล้วก็มาทุกข์กันแล้วก็มาใช้ผลบุญผลบาปกันเวียนว่าตายเกิดกันไปไม่รู้จักจบจากสิ้น แต่ถ้าเราใช้การปฏิบัติทำรรภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเป็นเครื่องมือเราก็จะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจพอความโลภความโกรธความหลงหมดไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นความเศร้าความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมด เหลือแต่ความสุขความอิ่มใจความสบายใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดใจที่มีแต่ความสุขแบบนี้เรียกว่านิพพานใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะเหตุที่จะดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ถูกกาจัดไปอย่างหมดสิน้นไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจให้กลับไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปทำบุญทำบาปได้ต่อไปปัญหาต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะ น, นี้ก็จะหมดสิ้นไป ถ้าเรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็ยังต้องมาทําบุญทําบาป ก, กันอยู่แล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป ก, กันต่อไปอยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาให้มันหมดเราต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสอนไว้ทั้งสามข้อนี้คือข้อที่หนึ่งให้เราละการกระทําบาปให้หมดแล้วก็ให้เราทําแต่ความดีแล้วให้เราไปชํำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการปฏิบัติธรรม ถ้าเราทาได้ทั้งสามข้อนี้แล้วใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีไม่มีไม่ต้องไปอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกต่อไปเพราะเราจะไม่กลรมมาเกิดอีกแล้วเมื่อไม่กลับมาเกิดกฎแห่งกรรมก็ยื่นมือไปไม่ถึงนี่คือเรื่องที่พระเจ้าทรงนามาสั่งสอนให้กับพวกเราให้พวกเรานเมาไปปฏิบัติถ้าเราเชื่อเราก็ต้องปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราริปุเรนติสาขังเอวามีวะอิตตจินงังเปตานังอุ ป, ปการปฏิ ยิชตังปะทิตามตุมหังคิปเมวะสะมิชจตุสะเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสะพีติโยมิวะจันตุสะพะโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตาราโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาธนศิริสานิจังวุธาปจายโนจตารูธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางลำดัตนน บ, บต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุดจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ495ท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v e 274 YouTube ด r V 81วิทยุออนไลน์5ครับ House 10นาคุต118รวมทั้งหมด983ท่านค่ะมีคาถามก็เชิญถามได้เลย If you have any question, you can ask me. Just raise your hand, okay? okay. <CH> o k okay? a ถามจากคุณสิวาการค่ะถ้าเคยทํากรรมในอดีตชาติปัจจุบันเรื่องทรัพย์เรื่องการเมยังไงก็ต้องไปอบายไม่สามารถลดทอนได้เลยใช่ไหมครับก็ทำกรรมใดๆมันก็ต้องส่งผลช้าเร็วๆนี่มันจะไปตอนไหนนี่มันก็มีเหตุปัจจัยอย่างอื่น บางทีเราทำบุญมากกว่าทำบาบบาปนั้นก็ยังรอรอลงอายาไปก่อนให้บุญส่งผลก่อนพอบุญน้อยกว่าบาปบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะส่งผลทันทีค่ะจากคุณสรัญชนทำบุญกับพระอริยสงฆ์กับทำบุญกับพระสงฆ์ทั่วไปแตกต่างกันอย่างไรคะบุญที่ได้รับจากการทำบุญเท่ากัน คือเราเบอร์จากเงินร้อยบาทให้กับพระอาริยะกับพระธรรมดาบุญที่เราได้เท่ากันได้เป็นเทพเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะได้รับกลับจากผู้ที่เราไปทำบุญนี้อาจจะต่างกันเช่นถ้าเราไปทำบุญกับพระธรรมดาท่านก็อาจจะสอนธรรมะในระดับธรรมดาให้เราแต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระอาริยะท่านก็จะสอนธรรมะในระดับอริยะให้กับเราอันนี้ผลจะต่างกันคือ สิ่งที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยเช่นเราไปทำบุญกับหมอที่โรงพยาบาลหมอก็จะพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าเราไปทำบุญกับโรงเรียนครูอาจารย์ก็จะพูดเรื่องวิชาการต่างๆให้เราฟังอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้รับต่างกันแต่เงินที่เราบริจาคถ้ามันเท่ากันเราก็จะได้ความสุขใจความอิ่มใจความเจริญทางด้านจิตใจเท่ากันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้รับ อยู่ที่การเสียสละของเราเสียสละมากก็ได้บุญมากได้ความสุขมากเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยความสุขน้อยค่ะคำถามจากคุณสวรรค์ทองขอกราบเรียนถามครับเราควรจเจริญสติยังไงในชีวิตประจาวันเพื่อให้เกิดสติต่อเนื่องครับให้รู้อยู่กับพูดโทรไปเรื่อยๆ อ, อย่าพูดอย่าไปคิดเรื่องอื่น ถ้าไม่มีความจะมีจะต้องคิดเรื่องอะไรถ้ามันจะคิดเพ้อเจ้อคิดเพ้อฝันคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตก็ให้หยุดมันด้วยคุดโธคุดโธคุตโธหรือให้มันคอยอยู่กับร่างกายตลอดทั้งวันร่างกายทาอะไรก็ทำไปกับร่างกายใจบางทีไม่ได้ทำพร้อมกับร่างกายร่างกายกินข้าวแต่ใจนู่นไปเที่ยวที่ศูนย์การค้าแล้วก็ได้ต้องให้มันอยู่ด้วยกันถึงจะเรียกว่ามีสติ นางกายทําอะไรใจก็ต้องทําควบคู่ไปกับร่างกายก็จะเรียกว่ามีสติแต่ถ้าร่างกายทําอย่างหนึ่งใจไปทําอีกอย่างหนึ่งนี่ก็ไม่มีสติแล้วคถามจากคุณนิรุตติค่ะน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับในสภาพผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังเป็นคารวะในวันหนึ่งควรจะนั่งปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ได้อย่างน้อยกี่ชั่วโมงครับได้มากที่สุดเท่าที่จะทําไดนะ้แต่ละคนมันก็ มีสภาวะไม่เหมือนกันบางคนก็งานมากเวลาก็อาจจะน้อยบางคนงานน้อยเวลาก็อาจจะมากขึ้นเป้าหมายก็คือยิ่งทำมากเท่าไหร่ยิ่งได้ผลดีมากขึ้นไปเท่านั้นค่ะคำถามจากคุณ J K Scorpion กลับนมัสยการพระอาจารย์ค่ะถ้าเรารู้สึกโกรธอาฆาตเคียดแค้นเราใช้ความเมตตาระงับความโกรธและถ้าใจเรารู้สึกมีทิฐิมานะความถือตัวถือตนมีความเยอะหยิ่งเกิดขึ้นในใจเราควรใช้ธรรมะข้อใดเพื่อลดทิฏฐิมานะคะก็ให้คิดว่าเราเป็นลูกจ้างเขาแล้วกันอย่าไปคิดว่าเราเป็นนายจ้างถ้าเราเป็นนายจ้างเราก็จะโกรธเขาได้แต่พอเราว่าเราเป็นลูกจ้างวเราก็โกรธเจ้านายไม่ได้ ของเจ้านายเดี๋ยวถูกไล่ออกนะจากคุณเอ ก, กชัยหากเราฝึกปฏิบัติโดยการเลกนึกถึงความตายทุกวันวันละหลายๆครั้งเพื่อสอนใจให้ปล่อยวางไม่ยึดติดกับทุกสิ่งแม้แม้กระทั่งร่างกายจะเจ็บจะตายอยู่สแสวงหาทรัพย์หารักหาสุขสนุกสนานแล้วทำใจให้สงบลงได้เราสามารถฝึกแบบนี้ไปตลอดโดยไม่ต้องนั่งสมาธิได้ไหมครับ ทำได้ก็ทําไปสิกลัวจะทําไม่ได้แล้วนั่งเฉยๆยังทําไม่ได้แล้วยาไปทําอย่างอื่นได้ยังไงจากคุณนิมค่ะจากคุณนิ่มค่ ะ, <c oughs> คมคะสมัยตอนที่ยายยังมีชีวิตอยู่หาอาหารให้ยายตลอดเวลาฝันเห็นยายยายจะหิวข้าวตลอดจิตปรุงแต่งเฉยๆไหมคะบนยายก็เป็นเรื่องจิตเราเนะ่ะยายเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเราทนะั้งนั้ นายจะหิวไม่หิวอยู่ที่บุญหรือบาปที่ใจที่ยายเ็าทำเอาไว้ไม่เกี่ยวกับเราจากคุณชิดชัยค่ะ <c oughs> ผมเดินทางเจอผมเดินทางเจอคนขอทานไร้บ้านคนเก็บขยะผมเงินผมมีเงินไม่เยอะแต่ผมก็ให้เงินทุกครั้งที่พบเจอจะเป็นบุญไหมครับ เป็นทุกครั้งที่เราเสียสละเราก็ได้บุญเหมือนกับเราทำบุญตักบาตรพระไหมครับเหมือนกันเหมือนกันแทนที่จะใส่บาตรพระก็เอาซื้อข้าวให้ขอทางกินก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันจากคำถามจาก y o u t u ู e ค่ะ การจเจริญพรมวิหาร4ี่จำเป็นต้องครบทั้ง4ี่ด้านหรือไม่คะจะมีแนวทางจเจริญพรมวิหารสี่ในชีวิตประจําวันอย่างไรคะพรมวิหารสี่ก็ต้องใช้แล้วแต่กรณีเวลาที่ต้องใช้เมตตาก็ใช้เมตตาเวลาต้องใช้กรุณาก็ต้องใช้กรุณาแล้วแต่สภาวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ใช้ทั้ง4ี่อย่างพร้อมๆกันเหมือนกับขับรถเนี่ยเราก็ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์เวลารถจอดเวลาจะออกรถก็ต้องใช้เกียร์ต่าง แต่พอรถวิ่งเร็วขึ้นเราก็เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ที่สูงขึ้นไปตามลำดับพรวิหารสีก็มีไว้สำหรับใช้ในะกรณีต่างๆเมตาก็คือให้เราเป็นมิตรกับทุกคนเจอใครถึงแม้จะรู้จักไม่รู้จักก็ยกมือไหว้ก่อนนะ ทักทายก่อนแล้วสบายดีหรืออะไรอย่างเหมือนสอสตอนนี้พวกหาเสียงตอนนี้เจอใครยกมือไหว้หมดเลย <c oughs> อันนั้นแหะก็เรยว่า <c> เ <oughs> มตตาต้องการจะเรียกต้องการจะเรียกพวกครองเรียกมิตรเมตตาส่วนการุณาก็คืออย่างที่เมื่อกี้คนนั้นบอกว่าขับรถไปเห็นขอทานก็สงสารเขาก็จอดรถแล้วมีของในรถก็เอามาให้เขาใช้บ้างแบ่งเขาใช้นี่ก็เรียกกรุณาหรือถ้าเกิดมีเหตุ เหตุへ ت, へ ت ภัยต่างๆไฟไหม้น้ำท่มวมเราก็ช่วยกันส่งข้าวส่งของไปช่ว ย, ยนี่ก็เรียกว่ากรุณามูติตาก็คือเวลาใครแขกได้ดบได้ดีแล้วก็สแสดงความยินดีส่งกระเช้าดอกไม้ไปส่งของขวัญไปสแสดงความยินดีแล้วถ้าเจอเหตุการณ์ที่เราทําอะไรไม่ได้เลยจากจะช่วยเขาก็ช่วยไม่ได้เพราะมันสุดวิสัยเกินกาลังเรื่องสถานการณ์มันไม่อื้อให้เราทาอะไรได้ เราก็ต้องใช้อุเบกขาอย่าไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับการที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ เ, เราต้องยอมรับว่าโลกนี้มันก็มีอะไรที่อยู่ในวิสัยของเราที่เราทําได้และมีอะไรที่มันอยู่เหนือวิสัยที่เราจะทำอะไรได้ถ้ามันเหนือวิสัยก็อย่าไปทุกข์มันพยายามทำใจให้ปล่อยวางให้เป็นอุเบกขาค่ะคำถามสุคุณรุ่งเรวี การทําบาปเรื่องจากความคิดที่ไม่ดีถ้าหากเราคิดไม่ดีแต่ไม่ได้กระทําความแต่ไม่ได้กระทําตามความคิดเราจะบาปไหมคะบาปยังไม่เกิดยังไม่สําเร็จแต่มันก็มันก็จะสร้างความไม่สบายใจให้กับเราแต่ไม่ถึงกับมีวิบากกรรมตามมาไม่ต้องใจเรายังไม่ได้เคลื่อนลงสู่ที่ต่ำแต่มันเพียงแต่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายเชื่อขณะที่เราคิดเท่านั้นเอง ถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการตัดความโกรธให้ลดน้อยลงขั้นแรกเราหยุดไม่โกรธไม่เถียงตอบแต่ภายในใจยังร้อนลุ่มอยู่เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ อ, อ๋อต้องไปตัดเหตุที่ทําให้เราโกรธเหตุที่เราโกรธก็คือความอยากของเราอยากให้เขาทาอะไรให้เราอยากจะได้ของมอาจากเขาพอเขาไม่ทําให้เราหรือเขาไม่ให้อะไรเราเราก็โกรธ แต่ถ้าเราลดความอยากของว่าไม่ไม่เอาก็ได้เขาไม่ให้อะไรเราเราก็ไม่เอาเราไม่หวังอะไรไม่อยากอะไรได้จากเขาเขาจะทําอะไรเราก็จะไม่โกรธเขาความโกรธมันตามมาจากความอยากของเราอยากแล้วผิดหวังอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็มักจะโกรธกันคําถามสกุณอรารดาค่ะกราบหลวงพ่อเมตตาเจ้าค่ะ ข้อหนึ่งถ้าเราเร่งความเพียรให้มากในชาตินี้เรามีสิทธิ์บรรลุธรรมได้ในชาตินี้เลยใช่ไหมคะโดยไม่ต้องนึกถึงว่าเราสร้างบา ร, รมีเต็มหรือยังใช่มันไม่ได้อยู่ที่อดีตอดีตมันทําให้เราทํามากทําน้อยท่าเนเองแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือในปัจจุบันนี้เรายังขาดอะไรเราก็ต้องเติมมันให้ครบขาดสิ่งไหนเราก็ต้องทําให้มันได้ให้ได้ถ้าทําให้ได้มันก็จะได้ผลน ส่วนอดีตถ้าเราได้ทำมาแล้วมันก็จะทำให้เราง่ายขึ้นทำน้อยลงแต่ถ้าเราทาไม่ได้ทำมามันก็ทำให้เราต้องทำมากขึ้นและอาจจะยากขึ้นถ้าเรื่องนแต่อย่างไงก็ต้องทำอยู่ดีเพราะเรางานที่เรายังทำยังทำไม่สำเร็จนี่จะสำเร็จช้าสำเร็จเร็วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราเคยทำมาไว้มากแล้วเรียมถ้าทำมามากแล้วในอดีตมันก็จะทาใหเราไม่ต้องทามากทาเดียวเดียวก็ได้ เหมืนการตักน้ําใส่ตุ่มเนี้ยถ้าเมื่อวานนี้เราไม่ได้ตักน้ําใส่ตุ่มเลยวันนี้เราก็ต้องเริ่มตักตั้งแต่ขันแรกลงไปแต่ถ้าเมื่อวานนี้เราตักมาครึ่งตุ่มนะวันนี้เราก็ตั ก, กเพียงครึ่งตุ่มน้ําก็เต็มตุ่ม ง, งนั้นแต่ก็ต้องตักอยู่ดีก็ต้องทําอยู่ดีอย่างพระเจ้าทรัสบอาว่าอย่าประมาทให้รีบทำเสียเพราะเวลาของเรามันไม่แน่นอนเวลาของเราอาจจะถูกเป่าลูกหวีนเมื่อไหร่ก็ไนดะ้ เห็นไหมอยู่ดีๆคนมีชื่อมีเสียงยังตายได้เลยไม่มีใครรู้ไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะยังมีอายุน้อยแล้วยังจะไม่ตายพอถึงเวลามันจะตายกรรมการเป่าลูกเห็บเมื่อไหร่ก็ต้องหยุดเมื่อนั้นค่ะคำถามข้อที่สองค่ะ คนไม่ดีเราไม่ควรไปยุ่งดีกว่าไหมคะเรียกว่าเราไม่เมตตาไหมคะเพราะเสียเวลาที่เราจะเมตตากราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องยุ่งกับใครเลยดีที่สุดกับเรื่องของเขาไปนอกจากว่าถ้ามันมีเหตุจําเป็นบังคับที่จะต้องยุ่งด้วยก็ต้องยุ่งไปแต่ถ้าไม่มีความจาเป็นก็อย่าไปยุ่งกับใครดีที่สุด คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะกรณีที่เราตั้งใจรักษาศีลแปดในวันพระแต่เราต้องทํางานพักเที่ยงและทานอาหารเลยเที่ยงจะถือว่าผิดศีลไหมคะแล้วก็อนุโลมได้ในกรณีที่เรายังอยากจะรักษาศีลแปดอยู่ก็แล้วก็เค้นเราก็เรียนนายกาวถอยหลังสักชั่วโมงด้วยเวลาเที่ยง <c oughs> มันแค่สิบเอ็ดมง <c oughs> มันก็แค่นั้นแ่ะคือ การกําหนดเวลาไว้ว่าสมัยก่อนมันไม่รู้จะกาหนดเวลาไหนมันก็ต้องกําหนดเวลาได้เวลาหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เขาจะนิยมรักษาศีลแปดในวันหยุดทํางานกันเพื่อจะได้ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าอยากจะรักษาในวันทํางานเราก็ปรับนิดหน่อยไม่เป็นไรวันวันวันพระเราก็เลื่อนเวลาถอยหลังทักชั่วโมงหนึ่งก็แล้วกันเราถึงเวลาเที่ยงมันก็นาฬิกาของเรามันก็บอกสิบเอ็ดโมงโอ้ยกินข้าวได้ค่ะ คำถามจากคุณปอค่ะถ้าเรามีลูกนี่แล้วเกิดมีใคร ต, า ย, ตายจากกันไปก่อนถ้ากลับมาเจอกันชาติใหม่เขาจะต้องกลับมาใช้นี่เราไหมคะถ้าเขายังค้างอยู่ก็คงจะต้องใช้นะ่ยเพราะในใจเขาก็ายังอาจจะรู้สึกว่าเขาติดอะไรอยู่ในใจเขาอยู่ค่ะคำถามจากคุณเอกชัยจิต ผู้รู้และความคิดใช่สิ่งเดียวกันไหมครับจิตคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยจิตเป็นทั้งผู้รู้เป็นทั้งผู้คิดความคิดก็มาจากจิตความรู้ก็มาจากจิตคําถามจากคุณเตยกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการสวดมนต์ถือเป็นการทำบุญหรือไม่คะและระหว่างการ แต่ระหว่างการตั้งใจสวดแบบจริงจังกับการสวดไปด้วยความเคยชินแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดคะการสวดก็เป็นการเจริญสติซึ่งเป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ยังไม่เกิดผลทันทีเป็นเหมือนบุญที่กำลังกำลังจะเกิดเช่นเหมือนกับการปลูกต้นไม้เวลาเราปลูกต้นไม้นี่ต้นไม้ยังไม่โตยังไม่ออกดอกออกผลแต่เราต้องปลูกก่อนแล้วต้องปลูกต้นไม้นดน้ำพรวนดินอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวสัก5ปีสิปีมันก็โตแล้วก็ออกดอกออกผลตามมาการไหวพระส่วนเมนการฝึกสติก็เพื่อทําให้เกิดมรรคผลนิพพานตามมาซึ่งสวดไปเฉยๆตอนนี้มันยังไม่เกิดมรรคผลนิพพานอย่างถ้าเราไม่สวดเราก็จะไม่มีสติที่จะทําให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นมาได้ ส่วนการสวดแบบใจลอยกับใจไม่ลอยต่างกันการสวดต้องใจไม่ลอยต้องให้รู้อยู่ทุกคำสวดที่เราสวดอยู่ไม่ใช่สวสวดไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ไปถ้าสวดแบบนี้ก็เหมือนกับไม่ได้สวดต้องสวดอยู่กับเรื่องที่เราสวดอย่างเดียวส่วนความคิดมันจะเข้ามาเราก็ไม่ไปสนใจไม่ไปไม่ไปติดตามไปกับมันให้อยู่กับบทบทที่เราสวดไปเรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะค่อยๆสงบลงนิ่งลงแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาได้ ตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะโอเคย o a ันดี้บารี t ั o a ูแอดส์ t ิน t ี้ควาชเช n นโอเ t เ a ลอ a น e i กเคส l อ h ิงวิลแฮปตูคอลดิ ETING to an end. ถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้า ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเธอ